ไตรปิฎกภาษาไทยฉบับมหาจุลาลงกรราชวิทยาลายัยเล่มที่สามสิบปดพระอภิธรรมปิฎกยมกะภาคหนึ่งพระอภิธรรมปิฎกยมกะภาคหนึ่ง ขอนอบน้อมพระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นหนึ่งมูลยมกะหนึ่งมูลวาระอุเทศหนึ่งปุสละบทนยะจตุกะหนึ่งสภาวะธรรมเหล่าใดเหล่าหนึ่งที่เป็นคุศลสภาวะธรรมเหล่านั้นทั้งหมดเป็นคุศลมูลใช่ไหมสภาวะธรรมเหล่าใดเป็นคุศลมูล สภาวธรรมเหล่าน wow, ah um> hmm ั้นทั้งหมดเป็นกุศลใช่ไหม 2. สภาวธรรมเหล่าใดเหล่าหนึ่งที่เป็นกุศลสภาวธรรมเหล่านั้นทั้งหมดมีมูลอย่างเดียวกันกับกุศลมูลใช่ไหมสภาวธรรมเหล่าใดมีมูลอย่างเดียวกันกับกุศลมูลสภาวธรรมเหล่านั้นทั้งหมดเป็นกุศลใช่ไหม 3. สภาวธรรมเหล่าใดเหล่าหนึ่งมีมูลอย่างเดียวกันกับกุศลมูลสภาวธรรมเหล่านั้นทั้งหมด มีมูลอาศัยกันละกันกับกุศลมูลใช่ไหมสภาวะธรรมเหล่าใดมีมูลอาศัยกันและกันกับกุศลมูลสภาวะธรรมเหล่านั้นทั้งหมดเป็นกุศลใช่ไหมสสภาวะธรรมเหล่าใดเหล่าหนึ่งที่เป็นกุศลสภาวะธรรมเหล่านั้นทั้งหมดมีมูลที่เป็นกุศลมูลใช่ไหมสภาวะธรรมเหล่าใดมีมูลที่เป็นกุศลโมลสภาวะธรรมเหล่านั้นทั้งหมดเป็นกุศลใช่ไหมห้า สภาวธรรมเหล่าใดเหล่าหนึ่งที่เป็นกุศลสภาวธรรมเหล่านั้นทั้งหมดมีมูลที่เป็นมูลอย่างเดียวกันกับกุศลมูลใช่ไหมสภ า, าวธรรมเหล่าใดมีมูลที่เป็นมูลอย่างเดียวกันกับกุศลมูลสภาวธรรมเหล่านั้นทั้งหมดเป็นกุศลใช่ไหม 6. สภาวธรรมเหล่าใดเหล่าหนึ่งมีมูลที่เป็นมูลอย่างเดียวกันกับกุศลละโลสภาวธรรมเหล่านั้นทั้งหมดมีมูลที่เป็นมูลอาศัยกันและกันกับกุศลมูลใช่ไหม สภาวธรรมเหล่าใดมีมูลที่เป็นมูลอาศัยกันและกันกับกุศลมูลสภาวธรรมเหล่านั้นทั้งหมดเป็นกุศลใช่ไหมเจสภาวธรรมเหล่าใดเหล่าหนึ่งที่เป็นกุศลสภาวธรรมเหล่านั้นทั้งหมดมีมูลที่เป็นกุศลใช่ไหมสภาวธรรมเหล่าใดมีมูลที่เป็นกุศลสภาวธรรมเหล่านั้นทั้งหมดเป็นกุศลใช่ไหม 8. สภาวธรรมเหล่าใดเหล่าหนึ่งที่เป็นกุศล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 สภาวธรรมเหล่านั้นทั้งหมดเป็นกุศลใช่ไหมสิสภาวธรรมเหล่าใดเหล่าหนึ่งที่เป็นกุศลสภาวธรรมเหล่านั้นทั้งหมดมีมูลที่เป็นกุศลมูลใช่ไหมสภาวธรรมเหล่าใดมีมูลที่เป็นกุศลละโลสภาวธรรมเหล่านั้นทั้งหมดเป็นกุศลใช่ไหมสิอสภาวธรรมเหล่าใดเหล่าหนึ่งที่เป็นกุศลสภาวธรรมเหล่านั้นทั้งหมดมีมูลที่เป็นมูลอย่างเดียวกันกับกุศลละโลใช่ไหม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 สอกุศลบทนิยจตุกะ 13. สภาวธรรมเหล่าใดเหล่าหนึ่งที่เป็นอกุศลสภาวธรรมเหล่านั้นทั้งหมดเป็นอกุศลมูลใช่ไหมสภาวธรรมเหล่าใดเป็นอักขุศนลมูลสภาวธรรมเหล่านั้นทั้งหมดเป็นอกุศลใช่ไหม 14. สภาวธรรมเหล่าใดเหล่าหนึ่งที่เป็นอักขุศลสภาวธรรมเหล่านั้นทั้งหมดมีมูลอย่างเดียวกันกับอกุศนลมูลใช่ไหม สภาวธรรมเหล่าใดมีมูลอย่างเดียวกันกับอกุศลมูลสภาวธรรมเหล่านั้นทั้งหมดเป็นอกุศลใช่ไหมสิบหสภาวธรรมเหล่าใดเหล่าหนึ่งมีมูลอย่างเดียวกันกับอกุศนลมูลสภาวธรรมเหล่านั้นทั้งหมดมีมูลอาศัยกันละกันกับอกุศลมูลใช่ไหมสภาวธรรมเหล่าใดมีมูลอาศัยกันละกันกับอกุศลมูลสภาวธรรมเหล่านั้นทั้งหมดเป็นอกุศนใช่ไหมสิบห สภาวธรรมเหล่าใดเหล่าหนึ่งที่เป็นอกุศลสภาวธรรมเหล่านั้นทั้งหมดมีมูลที่เป็นอกุศนลมูลใช่ไหมสภาวธรรมเหล่าใดมีมูลที่เป็นอกุศนลมูลสภาวธรรมเหล่านั้นทั้งหมดเป็นอกุศลใช่ไหมสิบเจสภาวธรรมเหล่าใดเหล่าหนึ่งที่เป็นอกุศลสภาวธรรมเหล่านั้นทั้งหมดมีมูลที่เป็นมูลอย่างเดียวกันกับอกุศนลมูลใช่ไหม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 สภาวธรรมเหล่านั้นทั้งหมดเป็นอกุศลใช่ไหม 19. สภาวธรรมเหล่าใดเหล่าหนึ่งที่เป็นอกุศลสภาวธรรมเหล่านั้นทั้งหมดมีมูลที่เป็นอกุศลใช่ไหมสภาวธรรมเหล่าใดมีมูลที่เป็นอกุศลสภาวธรรมเหล่านั้นทั้งหมดเป็นอกุศลใช่ไหมยีสิสภาวธรรมเหล่าใดเหล่าหนึ่งที่เป็นอกุศลสภาวธรรมเหล่านั้นทั้งหมดมีมูลอย่างเดียวกันกับอกุศลละโลใช่ไหม สภาวธรรมเหล่าใดมีมูลอย่างเดียวกันกับอกุศนลมูลสภาวธรรมเหล่านั้นทั้งหมดเป็นอกุศลใช่ไหมยีสอสภาวธรรมเหล่าใดเหล่าหนึ่งมีมูลอย่างเดียวกันกับอกุศนลมูลสภาวธรรมเหล่านั้นทั้งหมดมีมูลอาศัยกันและกันกับอกุศนลมูลใช่ไหมสภาวธรรมเหล่าใดมีมูลอาศัยกันและกันกับอกุศนลมูลสภาวธรรมเหล่านั้นทั้งหมดเป็นอกุศลใช่ไหมยีสิบสอ สภาวธรรมเหล่าใดเหล่าหนึ่งที่เป็นอกุศลสภาวธรรมเหล่านั้นทั้งหมดมีมูลที่เป็นอกุศลละโลใช่ไหมสภาวธรรมเหล่าใดมีมูลที่เป็นอกุศลละโลสภาวธรรมเหล่านั้นทั้งหมดเป็นอกุศลใช่ไหม23สภาวธรรมเหล่าใดเหล่าหนึ่งที่เป็นอกุศลสภาวธรรมเหล่านั้นทั้งหมดมีมูลที่เป็นมูลอย่างเดียวกันกับอกุศลละโลใช่ไหม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 สภนะาวธรรมเหล่านั้นทั้งหมดเป็นอกุศลใช่ไหมสามอภยากตบทนยจตุกะยี่สิห้าสภาวะธรรมเหล่าใดเหล่าหนึ่งที่เป็นอภยากฤตสภาวะธรรมเหล่านั้นทั้งหมดเป็นอพยากตะมูล contre, pert. ใช่ไหมสภาวะธรรมเหล่าใดเป็นอพยากตะมูลสภาวะธรรมเหล่านั้นทั้งหมดเป็นอภยากฤตใช่ไหมยี่สิหสภาวะธรรมเหล่าใดเหล่าหนึ่งที่เป็นอภยากฤต สภาวธรรมเหล่านั้นทั้งหมดมีมูลอย่างเดียวกันกับอภิยกตะโมลใช่ไหมสภาวธรรมเหล่าใดมีมูลอย่างเดียวกันกับอภิยกตะโมลสภาวธรรมเหล่านั้นทั้งหมดเป็นอัพยกฤตใช่ไหม27สภาวธรรมเหล่าใดเหล่าหนึ่งมีมูลอย่างเดียวกันกับอภิยกตะโมลสภาวธรรมเหล่านั้นทั้งหมดมีมูลอาศัยกันและกันกับอัพยากตะโมลใช่ไหม สภาวธรรมเหล e ่าใดมีมูลอาศัยกันละกันกับอัพยากตะมูลสภาวธรรมเหล่านั้นทั้งหมดเป็นอัพยกฤิใช่ไหม 28. สภาวธรรมเหล่าใดเหล่าหนึ่งที่เป็นอัพยกฤตสภาวธรรมเหล่านั้นทั้งหมดมีมูลที่เป็นอัพยากตะมูลใช่ไหมสภาวธรรมเหล่าใดมีมูลที่เป็นอัพยากตะมูลสภาวธรรมเหล่านั้นทั้งหมดเป็นอัพยกฤิใช่ไหมยี่สิบเก สภาวะธรรมเหล่าใดเหล่าหนึ่งที่เป็นอภยากฤิสภาวะธรรมเหล่านั้นทั้งหมดมีมูลที่เป็นมูลอย่างเดียวกันกับอัพยากตะมูลใช่ไหมสภาวะธรรมเหล่าใดมีมูลที่เป็นมูลอย่างเดียวกันกับอพยากตะมูลสภาวะธรรมเหล่านั้นทั้งหมดเป็นอภยากฤิใช่ไหมสาสสภาวะธรรมเหล่าใดเหล่าหนึ่งมีมูลที่เป็นมูลอย่างเดียวกันกับอพยากตะมูลสภาวะธรรมเหล่านั้นทั้งหมด มีมูลที่เป็นมูลอาศัยกันและกันกับอัพยากตะมูลใช่ไหมสภาวธรรมเหล่าใดมีมูลที่เป็นมูลอาศัยกันและกันกับอัพยากตะมูลสภาวธรรมเหล่านั้นทั้งหมดเป็นอัพยากฤิตใช่ไหมสาสอสภาวธรรมเหล่าใดเหล่าหนึ่งที่เป็นอัพยากฤิตสภาวธรรมเหล่านั้นทั้งหมดมีมูลที่เป็นอัพยากฤิตใช่ไหมสภาวธรรมเหล่าใดมีมูลที่เป็นอัพยากฤิต สภาวะธรรมเหล่านั้นทั้งหมดเป็นอภยากฤิใช่ไหม 32. สาสองสภาวธรรมเหล่าใดเหล่าหนึ่งที่เป็นอภยากฤิสภาวะธรรมเหล่านั้นทั้งหมดมีมูลอย่างเดียวกันกับอัพยากตะโมลใช่ไหมสภาวธรรมเหล่าใดมีมูลอย่างเดียวกันกับอพยากตะโมลสภาวธรรมเหล่านั้นทั้งหมดเป็นอพยากฤิใช่ไหมสาสาม S S สภาวธรรมเหล่าใดเหล่าหนึ่งมีมูลอย่างเดียวกันกับอภิยกตะโมลสภาวธรรมเหล่านั้นทั้งหมดมีมูลอาศัยกันละกันกับอัพยากตะโมลใช่ไหมสภาวธรรมเหล่าใดมีมูลอาศัยกันและกันกับอัพยากตะโมลสภาวธรรมเหล่านั้นทั้งหมดเป็นอัพยกฤิใช่ไหมสามสภาวธรรมเหล่าใดเหล่าหนึ่งที่เป็นอัพยกฤิสภาวธรรมเหล่านั้นทั้งหมดมีมูลที่เป็นอัพยากตะโมลใช่ไหม สภาวะธรรมเหล่าใดมีมูลที่เป็นอัพยกากตะมูลสภาวะธรรมเหล่านั้นทั้งหมดเป็นอภยากฤตใช่ไหมสาสิห้าสภาวะธรรมเหล่าใดเหล่าหนึ่งที่เป็นอภยากฤตสภาวะธรรมเหล่านั้นทั้งหมดมีมูลที่เป็นมูลอย่างเดียวกันกับอัพยากตะมูลใช่ไหมสภาวะธรรมเหล่าใดมีมูลที่เป็นมูลอย่างเดียวกันกับอัพยากตะมูลสภาวะธรรมเหล่านั้นทั้งหมดเป็นอัพยากฤตใช่ไหมสามสิบหก สภาวะธรรมเหล่าใดเหล่าหนึ่งมีมูลที่เป็นมูลอย่างเดียวกันกับอพยกระตะมูลสภาวธรรมเหล่านั้นทั้งหมดมีมูลที่เป็นมูลอาศัยกันละกันกับอัพยากระตะมูลใช่ไหมสภาวธรรมเหล่าใดมีมูลที่เป็นมูลอาศัยกันละกันกับอพยกตะมูลสภาวะธรรมเหล่านั้นทั้งหมดเป็นอัพยกระตใช่ไหม 4. นามบทนยจัจตุกะ37 สภาวธรรมเหล่าใดเหล่าหนึ่งที่เป็นนามสภาวธรรมเหล่านั้นทั้งหมดเป็นนามมูลใช่ไหมสภาวะธรรมเหล่าใดเป็นนามมูลสภาวธรรมเหล่านั้นทั้งหมดเป็นนามใช่ไหมสาสิบแปดสภาวะธรรมเหล่าใดเหล่าหนึ่งที่เป็นนามสภาวธรรมเหล่านั้นทั้งหมดมีมูลอย่างเดียวกันกับนามมูลใช่ไหมสภาวธรรมเหล่าใดมีมูลอย่างเดียวกันกับนามมูล สภาวธรรมเหล่านั้นทั้งหมดเป็นนามใช่ไหม39สภาวธรรมเหล่าใดเหล่าหนึ <ically S 1> ่งมีม <45 tempted S 1> ูลอย่างเดียวกันกับนามมูลสภาวธรรมเหล่านั้นทั้งหมดมีมูลอาศัยกันและกันกับนามมูลใช่ไหมสภาวธรรมเหล่าใดมีมูลอาศัยกันและกันกับนามมมลสภาวธรรมเหล่านั้นทั้งหมดเป็นนามใช่ไหม40สภาวธรรมเหล่าใดเหล่าหนึ่งที่เป็นนามสภาวธรรมเหล่านั้นทั้งหมด มีมูลที่เป็นนามมูลใช่ไหมสภาวะธรรมเหล่าใดมีมูล hmm. ที่เป็นนามมูลสภาวธรรมเหล่านั้นทั้งหมดเป็นนามใช่ไหมสี่สิบเอ็ดสภาวธรรมเหล่าใดเหล่าหนึ่งที่เป็นนามสภาวธรรมเหล่านั้นทั้งหมดมีมูลที่เป็นมูลอย่างเดียวกันกับนามมูลใช่ไหมสภาวธรรมเหล่าใดมีมูลที่เป็นมูลอย่างเดียวกันกับนามมูลสภาวธรรมเหล่านั้นทั้งหมดเป็นนามใช่ไหมสี่สิบสอง สภาวธรรมเหล่าใดเหล่าหนึ่งมีมูลที่เป็นมูลอย่างเดียวกันกับนามมูลสภาวธรรมเหล่านั้นทั้งหมดมีมูลที่เป็นมูลอาศัยกันและกันกับนามโมโมลใช่ไหมสภาวธรรมเหล่าใดมีมูลที่เป็นมูลอาศัยกันและกันกับนามโมโมลสภาวธรรมเหล่านั้นทั้งหมดเป็นนามใช่ไหม43สสภาวธรรมเหล่าใดเหล่าหนึ่งที่เป็นนามสภาวธรรมเหล่านั้นทั้งหมดมีมูลที่เป็นนามใช่ไหม สภาวะธรรมเหล่าใดมีมมลที่เป็นนามสภาวธรรมเหล่านั้นทั้งหมดเป็นนามใช่ไหม44สภาวธรรมเหล่าใดเหล่าหนึ่งที่เป็นนามสภาวธรรมเหล่านั้นทั้งหมดมีมมลอย่างเดียวกันกับนามมมลใช่ไหมสภาวธรรมเหล่าใดมีมูลอย่างเดียวกันกับนามมมลสภาวธรรมเหล่านั้นทั้งหมดเป็นนามใช่ไหม45สภาวะธรรมเหล่าใดเหล่าหนึ่งมีมมลอย่างเดียวกันกับนามมูล สภาวะธรรมเหล่านั้นทั้งหมดมีมูลอาศัยกันและกันกับนามะมูลใช่ไหมสภาวะธรรมเหล่าใดมีมูลอาศัยกันและกันกับนามมูลสภาวะธรรมเหล่านั้นทั้งหมดเป็นนามใช่ไหมสีสิบหสภาวะธรรมเหล่าใดเหล่าหนึ่งที่เป็นนามสภาวะธรรมเหล่านั้นทั้งหมดมีมูลที่เป็นนามมูลใช่ไหมสภาวะธรรมเหล่าใดมีมูลที่เป็นนามะมูลสภาวะธรรมเหล่านั้นทั้งหมดเป็นนามใช่ไหมสี่สิบเจ็ด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 สภาวะธรรมเหล่าใดมีมูลที่เป็นมูลอาศัยกันและกันกับนามมมลสภาวะธรรมเหล่านั้นทั้งหมดเป็นนามใช่ไหมมูลวาระอุเทศจบสองถึงสิบเหตุวาราที่อุเทศสี่สิบเก้าสภาวะธรรมเหล่าใดเหล่าหนึ่งที่เป็นกุศลสภาวะธรรมเหล่านั้นทั้งหมดเป็นกุศลเหตุใช่ไหมเป็นกุศลละนิทานเป็นกุศลลสมภพเป็นกุศลลประภพ เป็นกุศลและสมุทฐานเป็นกุศลและอาหารเป็นกุศลและอารมณ์เป็นกุศลและปัจจัยเป็นกุศ ล, ล, ลาาและสมุทยัยมูลเหตุนิทานสมภพประภพสมุทฐานอาหารอารมณ์ปัจจัยและสมุทัยมีด้วยประการฉนี้อุเทศวาระจบ หนึ่งกุศลบทนยัตจตุกะห้าสิบอนุโลมปุชฌาสภาวธรรมเหล่าใดเหล่าหนึ่งที่เป็นกุศลสภาวธรรมเหล่านั้นทั้งหมดเป็นกุศ ล, ลมูลใช่ไหมวิจาชนากุศ ล, ลมูลมีสามเท่านั้นสภาวธรรมที่เหลือเป็นกุศลแต่ไม่เป็นกุศ ล, ลมูลปฏิโลมปุชฌาสภาวธรรมเหล่าใดเป็นกุศลละโล สภาวธรรมเหล่านั้นทั้งหมดเป็นกุศลใช่ไหมวิสัชนาใช่ห้าสิบเอ็ดอนุสภาวธรรมเหล่าใดเหล่าหนึ่งที่เป็นกุศลสภาวธรรมเหล่านั้นทั้งหมดมีมูลอย่างเดียวกันกับกุศลละโลใช่ไหมวิใช่ปติสภาวะธรรมเหล่าใดมีมูลอย่างเดียวกันกับกุศลละโลสภาวธรรมเหล่านั้นทั้งหมดเป็นกุศลใช่ไหมวิ รูปที่มีกุศลเป็นสมุฐานมีมูลอย่างเดียวกันกับกุศลมูลแต่ไม่เป็นกุศลกุศลมีมูลอย่างเดียวกันกับกุศลมูลก็ใช่เป็นกุศลก็ใช่ห้าสิบสองอนุสภาวะธรรมเหล่าใดเหล่าหนึ่งมีมูลอย่างเดียวกันกับกุศลลูลสภาวะธรรมเหล่านั้นทั้งหมดมีมูลอาศัยกันละกันกับกุศลมูลใช่ไหมวิมูลเหล่าใดเป็นกุศลมูลเกิดร่วมกัน มูลเหล่านั้นเป็นมูลอย่างเดียวกันก็ใช่เป็นมูลอาศัยกันและกันก็ใช่สภาวะธรรมที่เกิดร่วมกันกับกุศลลมูลที่เหลือมีมูลอย่างเดียวกันกับกุศลมูลแต่ไม่เป็นมูลอาศัยกันและกันปฏิสภาวะธรรมเหล่าใดมีมูลอาศัยกันและกันกับกุศลลมูลสภาวะธรรมเหล่านั้นทั้งหมดเป็นกุศ ล, ลใช่ไหมวิใช่ห้าสิบสาอนุ สภาวะธรรมเหล่าใดเหล่าหนึ่งที่เป็นกุศลสภาวะธรรมเหล่านั้นทั้งหมดมีมูลที่เป็นกุศลมูลใช่ไหมวิมูลที่เป็นกุศลมูลมีสามเท่านั้นสภาวะธรรมที่เป็นกุศลที่เหลือไม่เป็นมูลที่เป็นกุศลมูลปฏิสภาวะธรรมเหล่าใดมีมูลที่เป็นกุศลมูลสภาวะธรรมเหล่านั้นทั้งหมดเป็นกุศลใช่ไหมวิใช่ห้าสิบสี่อนุ สภาวะธรรมเหล่าใดเหล่าหนึ่งที่เป็นกุศลสภาวะธรรมเหล่านั้นทั้งหมดมีมูลที่เป็นมูลอย่างเดียวกันกับกุศลมูลใช่ไหมวิใช่ปฏิสภาวะธรรมเหล่าใดมีมูลทีท่เป็นมูลอย่างเดียวกันกับกุศลละโลสภาวะธรรมเหล่านั้นทั้งหมดเป็นกุศลใช่ไหมวิรูปที่มีกุศลเป็นสมุฐานมีมูลที่เป็นมูลอย่างเดียวกันกับกุศลมูลแต่ไม่เป็นกุศล กุศลมีมูลที่เป็นมูลอย่างเดียวกันกับกุศลมูลก็ใช่เป็นกุศลก็ใช่ห้าสิบ <annoy S 2> ห att ้าอนุสภาวะธรรมเหล่าใดเหล่าหนึ่งมีมูลที่เป็นมูลอย่างเดียวกันกับกุศลมูลสภาวะธรรมเหล่านั้นทั้งหมดมีมูลที่เป็นมูลอาศัยกันละกันกับกุศลมูลใช่ไหมวิมูลเหล่าใดเป็นกุศลมูลเกิดร่วมกันมูลเหล่านั้นมีมูลที่เป็นมูลอย่างเดียวกันก็ใช่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 สภาวะธรรมเหล่าใดเหล่าหนึ่งที่เป็นกุศลสภาวะธรรมเหล่านั <man <man ้นทั้งหมดมีมูลที่เป็นกุศลใช่ไหมวิใช่ปฏิสภาวะธรรมเหล่าใดมีมูลที่เป็นกุศลสภาวะธรรมเหล่านั้นทั้งหมดเป็นกุศลใช่ไหมวิรูปที่มีกุศลเป็นสมุทฐานมีมูลที่เป็นกุศลแต่ไม่เป็นกุศลกุศลมีมูลที่เป็นกุศลก็ใช่เป็นกุศลก็ใช่ห้าสิบเจ็ดอนุ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 มีมูลอย่างเดียวกันกับกุศลโมลแต่ไม่มีมูลอาศัยกันละกันปฏิสภาวะธรรมเหล่าใดมีมูลอาศัยกันละกันกับกุศลมูลสภาวะธรรมเหล่านั้นทั้งหมดเป็นกุศลใช่ไหมวิใช่ห้าิบเกอนุสภาวะธรรมเหล่าใดเหล่าหนึ่งที่เป็นกุศล ส, สภาวะธรรมเหล่านั้นทั้งหมดมีมูลที่เป็นกุศลมูลใช่ไหมวิใช่ปฏิ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 วิใช่ปฏิสภาะวะธรรมเหล่าใดมีมูลที่เป็นมูลอย่างเดียวกันกับกุศลโมลสภาะวะธรรมเหล่านั้นทั้งหมดเป็นกุศลใช่ไหมวิรูปที่มีกุศลเป็นส ม, มุฐานมีมูลที่เป็นมูลอย่างเดียวกันกับกุศลโมลแต่ไม่เป็นกุศลกุศลมีมูลที่เป็นมูลอย่างเดียวกันกับกุศ ล, ลมูลก็ใช่เป็นกุศลก็ใช่หกสิบเอ็ดอนุ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 แต่ไม่ใช่มีมูลที่เป็นมูลอาศัยกันและกันปติสภาวะธรรมเหล่าใดมีมูลที่เป็นมูลอาศัยกันและกันกับกุศลลมูลสภาวะธรรมเหล่านั้นทั้งหมดเป็นกุศลใช่ไหมวิใช่สองอกุศลบทนิยัตจตุกะหกสิบสองอนุสนภาวะธรรมเหล่าใดเหล่าหนึ่งที่เป็นอกุศลสภาวะธรรมเหล่านั้นทั้งหมดเป็นอกุศ ล, ลมูลมใช่ไหมวิ อากุศลละูลมีสามเท่านั้นสภาวะธรรมที่เหลือเป็นอกุศลแต่ไม่เป็นอักุศลละโลปฏิสภาวะธรรมเหล่าใดเป็นอกุศลละโลสภาวะธรรมเหล่านั้นทั้งหมดเป็นอกุศลใช่ไหมวิใช่หกสิบสามอนุสภาวะธรรมเหล่าใดเหล่าหนึ่งที่เป็นอกุศลสภาวะธรรมเหล่านั้นทั้งหมดมีมูลอย่างเดียวกันกับอกุศลละโลใช่ไหมวิ อกุศลที่เป็นอเหตุตุกะไม่ใช่มีมูลอย่างเดียวกันกับอกุศนลมูลอกุศลที่เป็นเสเหตตุกะมีมูลอย่างเดียวกันกับอกุศนลมูลปาฏิสภาวะธรรมเหล่าใดมีมูลอย่างเดียวกันกับอกุศนลมูลสภาวะธรรมเหล่านั้นทั้งหมดเป็นอกุศลใช่ไหมวิรูปที่มีอกุศนเป็นสมุธานมีมูลอย่างเดียวกันกับอกุศนลมูลแต่ไม่เป็นอกุศล อกุศลมีมูลอย่างเดียวกันกับอกุศ ล, ลมูลก็ใช่เป็นอกุศลก็ใช่หกสิบสี่อนุสภาวะธรรมเหล่าใดเหล่าหนึ่งมีมูลอย่างเดียวกันกับอกุศลละโลสภาวะธรรมเหล่านั้นทั้งหมดมีมูลอาศัยกันและกันกับอกุศลมูลใช่ไหมวิมูลเหล่าใดเป็นอกุศลมูลเกิดร่วมกันมูลเหล่านั้นมีมูลอย่างเดียวกันก็ใช่มีมูลอาศัยกันและกันก็ใช่ สภาวะธรรมที่เกิดร่วมกันกับอกุศลลมูลที่เหลือมีมูลอย่างเดียวกันกับอกุศผลมูลแต่ไม่ใช่มีมูลอาศัยกันและกันปาติสภาวะธรรมเหล่าใดมีมูลอาศัยกันและกันกับอกุศลมูลสภาวะธรรมเหล่านั้นทั้งหมดเป็นอกุศลใช่ไหมวิใช่หกสิบ้าอนุสภาวะธรรมเหล่าใดเหล่าหนึ่งที่เป็นอกุศล สภาวะธรรมเหล่านั้นทั้งหมดมีมูลที่เป็นอกุศลละโลใช่ไหมวิมูลที่เป็นอกุศลละลมีสามเท่านั้นสภาวะธรรมที่เหลือเป็นอกุศลแต่ไม่ใช่มีมูลที่เป็นอกุศลละโลปติสภาวะธรรมเหล่าใดมีมูลที่เป็นอกุศลละโลสภาวะธรรมเหล่านั้นทั้งหมดเป็นอกุศลใช่ไหมวิใช่หสอนุสภาวะธรรมเหล่าใดเหล่าหนึ่งที่เป็นอกุศล สภาวะธรรมเหล่านั้นทั้งหมดมีมูลที่เป็นมูลอย่างเดียวกันกับ repeat, อ, อกุศลมมลใช่ไหมวิอกุศลที่เป็นอเหตุตุกะไม่ใช่มีมูลที่เป็นมูลอย่างเดียวกันกับอกุศลมูลอกุศลที่เป็นเสเหตุกะมีมูลที่เป็นมูลอย่างเดียวกันกับอกุศลมูลปติสภาวะธรรมเหล่าใดมีมูลที่เป็นมูลอย่างเดียวกันกับอกุศลมูลสภาวะธรรมเหล่านั้นทั้งหมดเป like hmm. ็นอก <tan S 1> ุศลใช่ไหมวิ รูปที่มีอกุศลเป็นสมุทฐานมีมูลที่เป็นมูลอย่างเดียวกันกับอกุศลละมูลแต่ไม่เป็นอกุศลอกุศลมีมูลท <ten> 네ี่เป็นมูลอย่างเดียวกันกับอกุศละมูลก็ใช่เป็นอกุศลก็ใช่หกเจอนุสภาวะธรรมเหล่าใดเหล่าหนึ่งมีมูลที่เป็นมูลอย่างเดียวกันกับอกุศลละมูลสภาวะธรรมเหล่านั้นทั้งหมดมีมูลที่เป็นมูลอาศัยกันและกันกับอกุศลมูลใช่ไหมวิ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 สภาวะธรรมเหล่านั้นทั้งหมดเป็นอกุศลใช่ไหมวิใช่หกสิบแปดอนุสภาวะธรรมเหล่าใดเหล่าหนึ่งที่เป็นอกุศลสภาวะธรรมเหล่านั้นทั้งหมดมีมูลที่เป็นอกุศลใช่ไหมวิอกุศลที่เป็นอเหตุตุกะไม่ใช่มีมูลที่เป็นอกุศลอกุศลที่เป็นเสเหตุุกะมีมูลที่เป็นอกุศลปฏิสภาวะธรรมเหล่าใดมีมูลที่เป็นอกุศล สภาวะธรรมเหล่านั้นทั้งหมดเป็นอกุศนใช่ไหมวิรูปที่มีอกุศลเป็นสมุธฐานมีมูลที่เป็นอกุศลแต่ไม่เป็นอกุศนอกุศนมีมูลที่เป็นอกุศนก็ใช่เป็นอกุศนก็ใช่หกสอนุสภาวะธรรมเหล่าใดเหล่าหนึ่งที่เป็นอกุศลสภาวะธรรมเหล่านั้น ท, ทั้งหมดมีมูลอย่างเดียวกันกับอกุศลมูลใช่ไหมวิอกุศลที่เป็นอเหตุถูกะ ไม่ใช่มีมูลอย่างเดียวกันกับอกุศนละมูลอกุศลที่เป็นเสหตุกะมีมูลอย่างเดียวกันกับอกุศนละมูลปฏิสภาวะธรรมเหล่าใดมีมูลอย่างเดียวกันกับอกุศละมูลสภาวะธรรมเหล่านั้นทั้งหมดเป็นอกุศลใช่ไหมวิร anyway> ูปที่มีอกุศลเป็นสมุทฐานมีมูลอย่างเดียวกันกับอกุศลมูลแต่ไม่เป็นอกุศลอกุศลมีมูลอย่างเดียวกันกับอกุศละมูลก็ใช่ เป็นอกุศลก็ใช่เจอนุสภาวะธรรมเหล่าใดเหล่าหนึ่งมีมูลอย่างเดียวกันกับอกุศละโมลสภาวะธรรมเหล่านั้นทั้งหมดมีมูลอาศัยกันและกันกับอักษรละโลใช่ไหมวิมูลเหล่าใดเป็นอักษรละโลเกิดร่วมกันมูลเหล่านั้นมีมูลอย่างเดียวกันก็ใช่มีมูลอาศัยกันและกันก็ใช่สภาวะธรรมที่เกิดร่วมกันกับอักษรละโมลที่เหลือ มีมูลอย่างเดียวกันกับอกุศนละูลแต่ไม่ใช่มีมูลอาศัยกันละกันปาฏิสภาวะธรรมเหล่าใดมีมูลอาศัยกันละกันกับอกุศนละูลสภาวะธรรมเหล่านั้นทั้งหมดเป็นอกุศลใช่ไหมวิใช่เจ็ออนุสภาวะธรรมเหล่าใดเหล่าหนึ่งที่เป็นอกุศลสภาวะธรรมเหล่านั้นทั้งหมดมีมูลที่เป็นอกุศนลมูลใช่ไหมวิอกุศลที่เป็นอเหตตุกะ ไม่ใช่มีมูลที่เป็นอกุศลละมูลอกุศลที่เป็นเสหตถกะมีมูลที่เป็นอกุศลละมูลปฏิสภาวะธรรมเหล่าใดมีมูลที่เป็นอกุศลลมูลสภาวะธรรมเหล่านั้นทั้งหมดเป็นอกุศลใช่ไหมวิรูปที่มีอกุศลเป็นสมุทฐานมีมูลที่เป็นอกุศลละมูลแต่ไม่เป็นอกุศลอกุศลมีมูลที่เป็นอกุศลละมูลก็ใช่เป็นอกุศลก็ใช่เกสิบสอง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 มีโมลที่เป็นมูลอาศัยกันละกันกับอกุรสนมูลใช่ไหมวิมูลเหล่าใดเป็นอกุรสมูลเกิดร่วมกันมูลเหล่านั้นมีมูลที่เป็นมูลอย่างเดียวกันก็ใช่มีมูลที่เป็นมูลอาศัยกันละกันก็ใช่สภาวธรรมที่เกิดร่วมกันกับอกุรสมูลที่เหลือมีมูลที่เป็นมูลอย่างเดียวกันกับอคุรสมูลแต่ไม่ใช่มีมูลที่เป็นมูลอาศัยกันละกันปฏิ สภาวะธรรมเหล่าใดมีมูลที่เป็นมูลอาศัยกันและกันกันกบอกุศน ล, ลมูลสภาวะธรรมเหล่านั้นทั้งหมดเป็นอกุศลใช่ไหมวิใช่สอภิยาคตะบทนยยะจตุกะเจสิบสี่อนุสภาวะธรรมเหล่าใดเหล่าหนึ่งที่เป็นอภิยากฤิตสภาวะธรรมเหล่านั้นทั้งหมดเป็นอัพยาคตะโมลใช่ไหมวิอภิยาคตะโมลมีสามเท่านั้น สภาวะธรรมที่เป็นอัพยกริที่เหลือไม่เป็นอพยากตะมูลปฏิสภาวะธรรมเหล่าใดเป็นอพยากตะมูลสภาวะธรรมเหล่านั้นทั้งหมดเป็นอัพยกริใช่ไหมวิใช่เจห้าอนุสภาวะธรรมเหล่าใดเหล่าหนึ่งที่เป็นอพยกริสภาวะธรรมเหล่านั้นทั้งหมดมีมูลอย่างเดียวกันกับอพยากตะมูลใช่ไหมวิอัภยกริที่เป็นอเหตตุกะ ไม่ใช่มีมูลอย่างเดียวกันกับอพยากรตะมูลอพยกริที่เป็นเสหตุกะมีมูลอย่างเดียวกันกับอพยากรตะมูลปฏิสภาวะธรรมเหล่าใดมีมูลอย่างเดียวกันกับอพยากรตะมูลสภาวะธรรมเหล่านั้นทั้งหมดเป็นอพยกริใช่ไหมวิใช่เจสิบหอนุสภาวะธรรมเหล่าใดเหล่าหนึ่งมีมูลอย่างเดียวกันกับอพยกตะมูลสภาวะธรรมเหล่านั้นทั้งหมด มีมูลอาศัยกันละกันกับอัพยากตะมูลใช่ไหมวิมูลเหล่าใดเป็นอัพยาคตะโมลเกิดร่วมกันมูลเหล่านั้นมีมูลอย่างเดียวกันก็ใช่มีมูลอาศัยกันละกันก็ใช่สภาวะธรรมที่เกิดร่วมกันกับอัพยากตะโลที่เหลือมีมูลอย่างเดียวกันกับอภิญญาคตะโลแต่ไม่ใช่มีมูลอาศัยกันละกันปฏิ สภาวะธรรมเหล่าใดมีมูลอาศัยกันและกันกับอัพยากตะมูลสภาวะธรรมเหล่านั้นทั้งหมดเป็นอัพยากฤ ต, กตใช่ไหมวิใช่เจสิบเจ็ดอนุสภาวะธรรมเหล่าใดเหล่าหนึ่งที่เป็นอัพยากฤตสภาวะธรรมเหล่านั้นทั้งหมดมีมูลที่เป็นอพยากตะมูลใช่ไหมวิมูลที่เป็นอัพยยากตะมูลมีสามเท่านั้น <unlucky. S 2> สภาวะธรรมที่เป็นอภยากลิตที่เหลือไม่ใช่มีมูลที่เป็นอพยากตะมูลปฏิสภาวะธรรมเหล่าใดมีมูลที่เป็นอัพยากตะมูลสภาวะธรรมเหล่านั้นทั้งหมดเป็นอภยากฤิตใช่ไหมวิใช่เจ็ดสิบแปดอนุสภาวะธรรมเหล่าใดเหล่าหนึ่งที่เป็นอภยากฤิตสภาวะธรรมเหล่านั้นทั้งหมดมีมูลที่เป็นมูลอย่างเดียวกันกับอพยากตะมูลใช่ไหมวิ อพยากฤษตที่เป็นอเหตุุกะไม่ใช่มีมูลที่เป็นมูลอย่างเดียวกันกับอพยากตะมูลอัพยากฤษตที่เป็นเสเหตุกะมีมูลที่เป็นมูลอย่างเดียวกันกับอพยากตะมูลปติสภาวะธรรมเหล่าใดมีมูลที่เป็นมูลอย่างเดียวกันกับอัพยากตะมูลสภาวะธรรมเหล่านั้นทั้งหมดเป็นอัพยากฤิตใช่ไหมวิใช่เจ็สิบเก้าอนุ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 มีมูลที่เป็นมูลอย่างเดียวกันกับอพยากตะมูลแต่ไม่ใช่มีมูลที่เป็นมูลอาศัยกันละกันปฏิสภาวะธรรมเหล anyway ่ปปาใดมีมูลที่เป็นมูลอาศัยกันละกันกับอพยกรตะมูลสภาวะธรรมเหล่านั้นทั้งหมดเป็นอัพยกฤรใช่ไหมวิใช่แปสิอนุสภาวะธรรมเหล่าใดเหล่าหนึ่งที่เป็นอัภยกฤริชัยไหมวิ อพยากฤิตที่เป็นอเหตุกะไม่ใช่มีมูลที่เป็นอัพยากฤิตอพยากฤิตที่เป็นเสเหตุกะมีมูลที่เป็นอัพยากฤิตปฏิสภาวะธรรมเหล่าใดมีมูลที่เป็นอัพยากฤิตสภาวะธรรมเหล่านั้นทั้งหมดเป็นอัพยากฤิตใช่ไหมวิใช่ FO. ส FO. ส FO. แปดอดอนุสภาวะธรรมเหล่าใดเหล่าหนึ่งที่เป็นอัพยากฤิตสภาวะธรรมเหล่านั้นทั้งหมด มีมูลอย่างเดียวกันกับอัพยากตะโมลใช่ไหมวิอภยากฤิที่เป็นอเหตุตุกะไม่ใช่มีมูลอย่างเดียวกันกับอัพยากตะโมลอภยากฤิที่เป็นเสเหตตุกะมีมูลอย่างเดียวกันกับอัพยากตะโมลปฏิสภาวะธรรมเหล่าใดมีม <hepat. S 1> ูลอย่างเดียวกันกับอัพยากตะโมลสภาวะธรรมเหล่านั้นทั้งหมดเป็นอัพยากฤิใช่ไหมวิใช่แปดิบสองอนุ สภาวะธรรมเหล่าใดเหล่าหนึ่งมีมูลอย่างเดียวกันกับอัพยากตาโมลสภาวะธรรมเหล่านั้นทั้งหมดมีมูลอาศัยกันและกันกับอภิยากตาโมลใช่ไหมวิมูลเหล่าใดเป็นอัพยากตาโมลเกิดร่วมกันมูลเหล่านั้นมีมูลอย่างเดียวกันก็ใช่มีมูลอาศัยกันและกันก็ใช่สภาวะธรรมที่เกิดร่วมกันกับอัพยากตาโมลที่เหลือมีมูลอย่างเดียวกันกับอภิยากตาโมล แต่ไม่ใช่มีมูลอาศัยกันละกันปติสภาวะธรรมเหล่าใดมีมูลอาศัยกันและกันกับอภยากตะมูลสภาวะธรรมเหล่านั้นทั้งหมดเป็นอภยากฤิตใช่ไหมวิใช่แปดสิบสามนุภาวะธรรมเหล่าใดเหล่าหนึ่งที่เป็นอภยากฤิตสภาวะธรรมเหล่านั้นทั้งหมดมีมูลที่เป็นอภยากตะมูลใช่ไหมวิอภยากฤตที่เป็นอเหตตุกะ ไม่ใช่มีมูลท er ี่เป็น uh อัพยากตะมูลอัพยกฤตที่เป็นเสหตุกะมีมูลที่เป็นอัพยากตะมูลปฏิสภาวะธรรมเหล่าใดมีมูลที่เป็นอัพยากตะมูลสภาวธรรมเหล่านั้นทั้งหมดเป็นอัพยากฤะตใช่ไหมวิใช่แปิบสอนุสภาวธรรมเหล่าใดเหล่าหนึ่งที่เป็นอัพยากฤะต สภาวะธรรมเหล่านั้นทั้งหมดมีมูลที่เป็นมูลอย่างเดียวกันกับอพยากตะโมลใช่ไหมวิอพยากฤิตที่เป็นเหตุตกะไม่ใช่มีมูลที่เป็นมูลอย่างเดียวกันกับอพยากตะโมลอภยากฤิตที่เป็นเหตุตกะมีมูลที่เป็นมูลอย่างเดียวกันกับอพยากตะโมลปฏิสภาวะธรรมเหล่าใดมีมูลที่เป็นมูลอย่างเดียวกันกับอพยากตะโมลสภาวะธรรมเหล่านั้นทั้งหมดเป็นอภยากฤิตใช่ไหม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 สภาวะธรรมที่เกิดร่วมกันกับอพย า, ากะตะมูลที่เหลือมีมูลที่เป็นมูลอย่างเดียวกันกับอพย า, ากะตะมูลแต่ไม่ใช่มีมูลที่เป็นมูลอาศัยกันละกันปฏิสภาวะธรรมเหล่าใดมีมูลที่เป็นมูลอาศัยกันละ ก, กันกับอพย า, ากตะมูลสภาวะธรรมเหล่านั้นทั้งหมดเป็นอพยกรหรือไหมวิใช่สนามบทนยัจโตกะาแปสิบหกอนุ สภาวะธรรมเหล่าใดเหล่าหนึ่งที่เป็นนามสภาวะธรรมเหล่านั้นทั้งหมดเป็นนามมมูลใช่ไหมวินามมูลมีก้าเท่านั้นสภาวะธรรมที่เป็นนามที่เหลือไม่เป็นนามมูลปฏิสภาวะธรรมเหล่าใดเป็นนามมมูลสภาวะธรรมเหล่านั้นทั้งหมดเป็นนามใช่ไหมวิใช่แปสิบเจ็ดอนุสภาวะธรรมเหล่าใดเหล่าหนึ่งที่เป็นนาม สภาวะธรรมเหล่านั้นทั้งหมดมีมูลอย่างเดียวกันกับนามมะมูลใช่ไหมวินามที่เป็นอเหตุกะไม่ใช่มีมูลอย่างเดียวกันกับนามมูลนามที่เป็นเสเหตุกะมีมูลอย่างเดียวกันกับนามมมูลปฏิสภาวะธรรมเหล่าใดมีมูลอย่างเดียวกันกับนามมมูลสภาวะธรรมเหล่านั้นทั้งหมดเป็นนามใช่ไหมวิรูปที่มีนามเป็นสมุทฐานมีมูลอย่างเดียวกันกับนามมูล แต่ไม่เป็นนามนามมีมูลอย่างเดียวกันกับนามมะมูลก็ใช่เป็นนามก็ใช่แปอนุสภาวะธรรมเหล่าใดเหล่าหนึ่งมีมูลอย่างเดียวกันกับนามมะมูลสภาวะธรรมเหล่านั้นทั้งหมดมีมูลอาศัยกันและกันกับนามมะมูลใช่ไหมวิมูลเหล่าใดเป็นนามมะมูลเกิดร่วมกันนามเหล่านั้นมีมูลอย่างเดียวกันก็ใช่มีมูลอาศัยกันและกันก็ใช่ สภาวธรรมที่เกิดร่วมกันก an bon erm ับนามมูลท ouais evet> ี่เหลือมีมูลอย่างเดียวกันกับนามมมูลแต่ไม่ใช่มีมูลอาศัยกันละกันปาฏิสภาวะธรรมเหล่าใดมีมูลอาศัยกันละกันกับนามมมูลสภาวะธรรมเหล่านั้นทั้งหมดเป็นนามใช่ไหมวิใช่ปดเกอนุสภาวะธรรมเหล่าใดเหล่าหนึ่งที่เป็นนามสภาวธรรมเหล่านั้นทั้งหมดมีมูลที่เป็นนามมมูลใช่ไหมวิ มูลที่เป็นนามะมูลมีเก้าเท่านั้นสภาวธรรมที่เป็นนามที่เหลือไม่ใช่มีมูลที่เป็นนามะมูลปฏิสภาวธรรมเหล่าใดมีมูลที่เป็นนามะมูลสภาวธรรมเหล่านั้นทั้งหมดเป็นนามใช่ไหมวิใช่เก้าสิทอนุสภาวธรรมเหล่าใดเหล่าหนึ่งที่เป็นนามสภาวธรรมเหล่านั้นทั้งหมดมีมูลที่เป็นมูลอย่างเดียวกันกับนามมูลใช่ไหมวิ นามที่เป็นอเหตุตุกะไม่ใช่มีมูลที่เป็นมูลอย่างเดียวกันกับนามมมูลนามที่เป็นเสเหตตุกะมีมูลที่เป็นมูลอย่างเดียวกันกับนามมมูลปติสภาวะธรรมเหล่าใดมีมูลที่เป็นมูลอย่างเดียวกันกับนามมมูลสภาวะธรรมเหล่านั้นทั้งหมดเป็นนามใช่ไหมวิรูปที่มีนามเป็นสมุทฐานมีมูลที่เป็นมูลอย่างเดียวกันกับนามมมูลแต่ไม่เป็นนาม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 สภาวะธรรมเหล่านั้นทั้งหมดมีมูลที่เป็นนามใช่ไหมวินามที่เป็นอเหตุตุกะไม่ใช่มีมูลที่เป็นนามนามที่เป็นเสเหตุกะมีมูลที่เป็นนามปฏิสภาวะธรรมเหล่าใดมีมูลที่เป็นนามสภาวะธรรมเหล่านั้นทั้งหมดเป็นนามใช่ไหมวิรูปที่มีนามเป็นสมุธานมีมูลที่เป็นนามแต่ไม่เป็นนามนามมีมูลที่เป็นนามก็ใช่เป็นนามก็ใช่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 รูปที่มีนามเป็นสมุฐานมีมูลอย่างเดียวกันกับนามมมูลแต่ไม่เป็นนามนามมีมูลอย่างเดียวกันกับนามมูลก็ใช่เป็นนามก็ใช่94อนุสภาวะธรรมเหล่าใดเหล่าหนึ่งมีมูลอย่างเดียวกันกับนามมมูลสภาวะธรรมเหล่านั้นทั้งหมดมีมูลอาศัยกันและกันกับนามมูลใช่ไหมวิมูลเหล่าใดเป็นนามมมูลเกิดร่วมกันมูลเหล่านั้น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 สภาวะธรรมเหล่านั้นทั้งหมดมีมูลที่เป็นนามมะมูลใช่ไหมวินามที่เป็นอเหตุตุกะไม่ใช่มีมูลที่เป็นนามมะมูลนามที่เป็นเสเหตุกะมีมูลที่เป็นนามมมูลปฏิสภาวะธรรมเหล่าใดมีมูลที่เป็นนามมะมูลสภาวะธรรมเหล่านั้นทั้งหมดเป็นนามใช่ไหมวิรูปที่มีนามเป็นสมุทฐานมีมูลที่เป็นนามมมูลแต่ไม่เป็นนาม นามมีมูลที่เป็นนามมมูลกคใช่เป็นนามเคะใช่96อนุสภาวะธรรมเหล่าใดเหล่าหนึ่งที่เป็นนามสภาวะธรรมเหล่านั้นทั้งหมดมีมูลที่เป็นมูลอย่างเดียวกันกับนามมมูลใช่ไหมวินามที่เป็นอเหตุกะไม่ใช่มีมูลที่เป็นมูลอย่างเดียวกันกับนามมมูลนามที่เป็นเสเหตุกะมีมูลที่เป็นมูลอย่างเดียวกันกับนามมมูลปฏิ สภาวะธรรมเหล่าใดมีมูลที่เป็นมูลอย่างเดียวกันกับนามมูลสภาวะธรรมเหล่านั้นทั้งหมดเป็นนามใช่ไหมวิร um so, ูปท hmm? ี่มีนามเป็นสมุฐานมีมูลที่เป็นมูลอย่างเดียวกันกับนามมูลแต่ไม่เป็นนามนามมีมูลที่เป็นมูลอย่างเดียวกันกับนามมูลข้อใช่เป็นนามข้อใช่97อนุสภาวะธรรมเหล่าใดเหล่าหนึ่งมีมูลที่เป็นมูลอย่างเดียวกันกับนามมูล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 สภาวะธรรมเหล่าใดมีมูลที่เป็นมูลอาศัยกันและกันกับนามมมลสภาวะธรรมเหล่านั้นทั้งหมดเป็นนามใช่ไหมวิใช่มูลวารานิเทศจบสองถึงสิบเหตุวาราธินิเทศเก้าสบปอนุสภาวะธรรมเหล่าใดเหล่าหนึ่งที่เป็นกุศลสภาวะธรรมเหล่านั้นทั้งหมดเป็นกุศ ล, ลเหตุใช่ไหมวิกุศลเหตุมีสามเท่านั้น สภาวะธรรมที่เป็นกุศลที่เหลือไม่เป็นกุศลลเหตุไม่เป็นกุศลนิทานไม่เป็นกุศลสมภพไม่เป็นกุศลลประพบไม่เป็นกุศลละสมุฐานไม่เป็นกุศลละอาหารไม่เป็นกุศลละอารมณ์ไม่เป็นกุศลละปัจจัยไม่เป็นกุศลละสมุทัยเกบเอนุสภาวะธรรมเหล่าใดเหล่าหนึ่งที่เป็นอกุศลอนุสภาวะธรรมเหล่าใดเหล่าหนึ่งที่เป็นอภัยอากฤิ อนุสภาวะธรรมเหล่าใดเหล่าหนึ่งที่เป็นนามสภาวะธรรมเหล่านั้นทั้งหมดเป็นนามเหตุเป็นนามนิทานเป็นนามสมภพเป็นนามประพบเป็นนามสมุทฐานเป็นนามอาหารเป็นนามอารมณ์เป็นนามปัจัยเป็นนามสมุทัยมูลเหตุนิทานสมภพประพบสมุทฐานอาหารอารมณ์ปัจัยและสมุทัย มีด้วยประการฉนินิเทสวาระจบมูลยมกกะจบ